โรงเรียนหลอนผีเฮียนวันไหวครูสยองที่สีสเกต ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสีสเกต มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมกำลังศึกษาอยู่มปลายและทางโรงเรียนจะจัดงานวันไหว้ครูได้ให้นักเรียนทุกระดับชั้นจัดพานกันเองผมและเพื่อนๆอยู่ทําพานกันจนดึกเพราะต้องแบ่งเวลาไปช่วยกันจัดสถานที่ด้วยเวลาผ่านไปจนถึงสามทุ่มดอกไม้ที่นำมาจัดใส่พานเกิดหมด ผมจึงชวนเพื่อนคนหนึ่งขึ้นแบวดอกไม้ที่ห้องด้านบนซึ่งอาคารที่กำลังนั่งจัดพานกันอยู่เป็นอาคารใหญ่สามชั้นโดยทุกคนจะนั่งจัดพานกันอยู่ในห้องที่ชั้นหนึ่งส่วนดอกไม้ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้จะอยู่บนชั้นสามในขณะที่ผมและเพื่อนเดินขึ้นมาจนถึงชั้นสองหูก็ได้ยินเสียงเหมือนมีโตะล้มโครมคราม ซึ่งมันดังมาจากชั้นสามจึงหยุดพูดคุยกับเพื่อนว่านี่มันก็ดึกแล้วนะพวกรุ่นน้องยังไม่กลับกันอีกเหรอหรือกำลังมีเรื่องกันผมและเพื่อนรีบเดินไปบนชั้นสามเสียงโครมครามก็ยังคงดังอยู่มันดังมาจากห้องด้านซ้ายมือจึงพากันเดินตรงไปที่ห้องนั้นซึ่งเป็นห้องที่อยู่ท้ายสุดเมื่อไปถึงที่หน้าห้อง ก็พบว่าประตูห้องถูกเปิดไว้ภายในห้องไม่มีใครอยู่เลยทั้งห้องมืดสนิทเพราะปิดหน้าต่างทุกบานโต๊ะและเก้าอี้ล้มระเนระนาดแล้วพวกเราก็เห็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเงาดำๆกำลังวิ่งวนอยู่รอบห้องเงานั้นมันชนกับโต๊ะจนเกิดเสียงดังโครมครามแล้วพุ่งชนราวกับว่า ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆผมพยายามตั้งสติแล้วเพ่งมองดูดีๆว่าเงาดำนั้นมันคืออะไรกันแน่ก็พบว่าเงานั้นเป็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมเธอผมยาวปร๋บบ่าใส่ชุดนักเรียนแล้วมือทั้งสองข้าง ข, างของเธอนั้นก็ถือพานสีเงินยื่นไปข้างหน้า ผมและเพื่อนยืนมองอยู่หน้าห้องด้วยความงุนงงคิดว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังทำอะไรกันแน่แต่เมื่อผมลองสังเกตที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นดูแล้วก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีลูกตามันเป็นสีดำๆเหมือนมีเงามืดๆปิดทับไว้แล้วปากของเธอนั้นก็ฉีกยิ้มกว้างจนดูน่ากลัว ผมเริ่มขนลุกตั้งกลัวในสิ่งที่ดนเองกำลังยืนมองอยู่คิดในใจว่าเธอคนนี้เป็นตัวอะไรกันแน่แล้วความรู้สึกบางอย่างก็บอกผมให้รีบหนีออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดจนขามันค่อยๆขยับถอยหนีออกมาเองและตอนนั้นก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆชนโตะ๊ะชนเก้าอี้ ที่กองอยู่กับพื้นจนกระเด็นกระดอนถ้าเป็นคนจริงๆคงทำแบบนี้ไม่ได้แน่ขาคงเจ็บและช้ำไปหมดแล้วผมทนยืนมองสิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ตรงหน้าไม่ไหวรีบกระโดดออกไาจากตรงนั้นทันทีแล้ววิ่งไปที่บันไดให้เร็วที่สุดผมได้ยินเสียงเพื่อนวิ่งตามหลังมาติดๆระหว่างที่กำลังวิ่งไปที่บันได อยู่ๆก็รู้สึกเสียวสลังวาบขึ้นมาเพราะกลัวว่าเธอคนนั้นจะวิ่งตามหลังมาด้วยจึงหลับหูหลับตาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตพวกเราวิ่งจนลงมาถึงชั้นหนึ่งพอมาถึงพวกผมก็นอนหอบหายใจกองอยู่กับพื้นเพื่อนคนอื่นๆจึงเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมนอนพักจนหายเหนื่อยแล้ว ก็ลุกขึ้นมานั่งเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้เพื่อนๆฟังแต่กลับไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ผมพูดเลยสักคนผมจึงท้าให้ทุกคนลองขึ้นไปดูแต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะทุกคนกลัวจะเสียเวลาเปล่าในระหว่างที่ผมกําลังยืนเถียงกับเพื่อนๆ อ, อยู่นั้นหูก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนอะไรสักอย่างเสียงนั้นมันดังมาจากตึกอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นตึกสามชั้นลักษณะเดียวกันตึกนั้นตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหันหน้าเข้าหาตึกผมและมีสนามฟุตบอลขั้นกลางอยู่ซึ่งหากจะว่าไปแล้วมันก็ห่างไกลกันมากเลยทีเดียวพอผมหันไปถามทุกคนว่าได้ยินอะไรไหมทุกคนก็สส่หน้าผมจึงลองเดินออกไปดูเพียงคนเดียวก็เห็นว่าตึกอีกฝั่ง ปิดไฟไว้ทุกห้องจึงทำให้ดูมืดทึบน่ากลัวแล้วสายตากองผมก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนยืนอยู่บนระเบียงชั้นสามแต่แล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งตัวลงมาจากชั้นสามร่างของเธอร่วงลงมาจนกระแทกกับพื้น ณวินาทีนั้นผมช็อกยืนอึง้งตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าสักพักผมจึงได้สติขณะที่กำลังจะตะโกนบอกเพื่อนว่ามีคนกระโดดตึกแต่ร่างนั้นกลับค่อยๆ ย, ยันตัวลุกขึ้นเธอยืนขึ้นแล้วก็เดินตรงมาหาผมผมตกใจช็อกอีกรอบรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัว คิดในใจว่าต้องเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เจอบนชั้นสามแน่ๆจึงรีบถอยหลังกลับเข้าห้องแล้วปิดประตูจากนั้นผมก็หันมาบอกกับเพื่อนๆที่นั่งทาพานอยู่ด้วยอาการปากสันส่นๆว่าหี ee, กำลังมาแต่กลับไม่มีใครสนใจผมเลยพวกมันนั่งคุยกันสนุกสนานเฮฮากันเหมือนเดิมจังหวะนั้นเอง ประตูที่เพิ่งจะปิดไปเมื่อสักครู่อยู่ๆก็ดีดเปิดออกจนผมตกใจสะดุ้งตัวงอแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือครูเวนครูเวนจริงๆดันมาตอนนี้แล้วครูก็เดินเข้ามาพูดด้วยสีหน้ากริดเครียดว่าวันนี้พอก่อนกลับบ้านกันได้แล้วขณะที่ผมกำลังจะเอ่ยป่า เล่าเหตุการณ์ที่พบมาให้ครูเวณฟังแต่ครูเวณกลับรีบเดินออกจากห้องไปสิกก่อนทุกคนจึงช่วยกันเก็บข้าวของเตรียมตัวกลับบ้านพวกเราขี่รถออกมาจากโรงเรียนสิงผมออกมาเป็นคันสุดท้ายเพราะเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ด้านในสุดและมีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยหนึ่งคน ในขณะที่กำลังขี่รถผ่านหน้าตึกเรียนหลังหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังตามหลังมาจึงดูที่กระจกส่องหลังแต่ก็ไม่พบอะไรเห็นเพียงแต่ความมืดแต่เสียงนั้นมันยังคงดังไล่หลังมาเรื่อยๆด้วยความสงสัยผมจึงหันกลับไปมองก็ปรากฏว่าเห็นเป็นเงาดำๆ ลักษณะตัวเท่าคนวิ่งตามหลังรถมาติดๆเง่านั้นเอื้อมมือทั้งสองข้างมาข้างหน้าเหมือนพยายามจะคว้าตัวของเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายให้ได้ผมเห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวสุดขีดรีบบิดกระชากรถสุดคันเร่งจนเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายตกใจและสงสัยจึงถามผมว่าเฮ้ย hey, รีบอะไรนักหนาวะ ผมไม่ตอบเอาตะบิดหนีอย่างเดียวจนผมกับเพื่อนพ้นเขตโรงเรียนมาแล้วสิ่งนั้นก็หายไปผมงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมากเพราะปกติไม่เคยเจอผีมาก่อนแต่ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยหลังจากไปส่งเพื่อนที่บ้านเสร็จแล้วผมก็ตรงกลับบ้านในทันทีเมื่อกลับไปถึงบ้าน คุณแม่ก็ทักขึ้นมาทันทีว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมตอนที่ลูกขี่รถเข้ามาแม่เห็นเหมือนมีใครนั่งขี่คอมาด้วยพอผมได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกขนลุกตั้งไปทั้งตัวรีบเข้าไปไหว้พระในบ้านแล้วเข้านอนทันทีรุ่งเช้าคุณแม่ก็ปลุกผมขึ้นมาแล้วบอกให้ผมไปใส่บาตรจากนั้นก็ไปโรงเรียน แล้วผมกับเพื่อนก็ได้ไปถามนักการพานโรงและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังก็ได้ความว่าพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นโรงเรียนนั้นเคยเป็นที่ฝังศพเก่าเป็นป่ารกร้างมาก่อนแล้วก็ได้ทำการล้างป่าช้าและสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นแต่คนทำพิธีล้างป่าช้าอาจจะทำไม่ถูกวิธีเพราะทุกๆุกวันสาคัญ และทุกๆ ก, กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดมักจะมีคนพบเห็นอะไรแปลกๆอยู่เสมอปัจจุบันรอบๆโรงเรียนก็ยังคงมีป่ารกให้เห็นอยู่บ้างเพราะยังถางออกไม่หมดตั้งแต่สมัยที่ล้างป่าชาแล้ว สัมภัสย่